ถ้าเป็นแบบนั้นเเรากดนั่งกดอะไรก็ได้นั่งเราอะไรก็ได้เพียงแต่เราทาความศึกษาอยู่กับมันก็อยู่ได้แล้วนะอันนี้เราฝืนไปนี่มันกําม่อเริ่เลยนะเลยตรอลิกเปลี่ยนหวาน่งหวานยพูดให้พูดนิดหน่อยแล้วพอมาพิจารณาดูแล้วพอเราพอเราศึกษางานท้ายเนีย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 โดยเฉพาอย่างยิ่งอย่างตอนค่ำเนี่ยหลับนะา้ามาท่าเสร็จอะไรเสร็จบางคนก็ถนัดเดินลองเดินไปบางคนไม่ถนัดเดินทีเดียวกบนั่งนั่งจนเหนือ่อยรู้สึกง่วงๆก็ออกมาเดินอย่างนั้นก็อีบางคนถนัดอย่งนั้นก็ได้บางคนก็เดินไปเดินจนเหนื่อยเดินตั้งแต่ยังไม่มืดเดินไปจนเหนื่อย สักสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือสี่ทุ่มล่วงไปแล้วก็ขึ้นไปน น, น, น, นั่นเดินจนเหนื่รงนั้นเลยสองชั่วโม ง, งาขึ้นไปก็รู้สึกขาอ่อนเดินถ้าเดินเร่จริงๆนี่ก็เดินจากเดินจะไม่ค่อยทนส่วนมากที่เดินได้ทนเนี่ยก็จะเดินตามพอดีพอดีกับกําลังของการไม่เร่งไม่อะไรเดินไปกำลังไปไปพิจารณาไปเรืย เราเดินนี้เราจะเดินได้นานสองชั่วโมงสามชั่วโมงกม็สบาสบายสี่ชั่วโมงรู้สึกรู้สึกว่านักตอนหนักตัวแลว้รู้สึกปวดตามข้อปวดตามรู้สึกหนักเท้าหนักตีนหนัมือแต่ บ, บางคนหนุ่มกำลังวังชาเรยวแรงดีก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลย แต่ถ้าอายุห้าสิบปีล่วงไปแล้วหกสิบปีล่วงไปแล้วเจ็ดิบปีล่วงไปแล้จะเป็นดวตาท่านตั้งเอาไว้ที่อายุห้าสิบปีอายุห้าสิบปีเริ่มห้าสิบปีไปแล้วร่างกายเนมันจะก็ค่อยเสื่อมลงลกค็ค่อยค่อยอยู่กับดูแลบ้องุงรักษามันให้อยู่ได้อะไรได้ๆๆๆจากนําไปถึงห้าสิบปีนึงไว้มนมไว้แหนมไว้ขนอม กำลังวังชา ด, ดีบางคนสุขภาพดีก็หสิบปีหกสิบปีหกสิบปีถึงเจ็สิบปีกำลังวังชาอยางดีตงคนงคนบางคนสุขภาพไม่ค่อยดีอายุห้าสิบปีล่วงไปแล้วว่าชักอ่อนแอแล้วร่างกายมีที่จะบำรุงให้มันมีทต่จะบำรุงมีแ่จะมีทต่จะส่งเสริมให้มันหรืกสิบปีล่วงไปแล้วอันนี้ชักจะแน่นอนแล้ว หกสิบปีลงไปแล้วห้าสิปีก็คล้ายๆเกับว่ามันถึงเกินหนึงมันก็ค่อยเริ่มลงเริ่มโค้ลงลงอายุสัมคาสของท่านของเรากำลังวังชามันก็เป็นไปนตามอายุไขคการประกอบความป่าาควมเพียบของเรามันก็เกี่ยวข้องกับกําลังวังชามด้วยนะอย่าว่าไม่มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเน้ น, นท่านจึงเน้นให้เอาแต่เด็กแต่เล็กแต่ลงแต่หนัก ไม่ใช่แก่เท่าแก่งองแล้วค่อยมาจับมาทำอะไร ม, มันไม่ได้เรื่องในราวัะไรเละถ้าเป็นจิตใจก็จิตใจแข็งกระด้างกว่าเ่ยจะดัดจะแปลงจะแก้จะไขจะอะไรก็ลําบากมากโบราณท่านว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากออัตภาพร่างกายหมายถึงจิตจิตใจนิสัยโดยเฉพาะความประพฤติเป็นพื้นพื้นทั่วไป เขาบอกว่าถ้าเราได้ฝึกฝนอบรมมาตั้งแต่วัยเด็กวัยเล็กอย่างทุกวันเนี่ยวัยขอนเรียนวัยอนุบาลอนุบาลอนุบาลสองวัยอนุบาลเนี่ยเข า, าเริ่มฝึกระมาดระบัดตั้งแต่เล็กๆเนยฝึกได้ดัดไดุ้งจริงๆถ้าอยู่ในภาวะแบบนั้นตลอดไปเรื่อยๆไม่ไปเจอภาวะแว่ร้อมที่เสียหายดีกว่า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 เราอยู่ที่ไหนเราอยู่จุดไหนของแผ่นของเมืองเราโดยเฉพาะอย่างภาคอีสานเราเท่าเ ท, ที่เราเห็นเห็นกันง่ายๆแท้จริงมันทั่วท่ไปนะเจ้าพูดเราไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนใหญ่ชุมชนเล็กเข้าไปอยู่ในที่ตุรับกันดานบ้านป่าบ้านเขาบ้านอะไรไปที่ไหนก็มีวัดมีวาวีพระเจ้ามีพระสงฆ์ที่นั่นท่าทางว่ามัใกล้ชิดกับวัฒนธรรมพระเจ้าพระสงฆ์นี้ นี่โอกาสที่เราจะฝึกจะควนอบรมจริตจิตใจมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆนี่มันก็สามารถจะฝึกรือดึงลากโจมจติดใจอของความเป็นเด็กเนี่ยเขา้าเข้าสู่สิ่งเข้าสู่ธรรมได้ได้ทุกระยะได้เช่นเดียวกันอโอกาสมีทุกแห่งทุกคนมันไม่ใช่เพราโอกาสไม่มทีนี้ถ้าเราฝึกฝนอบรมมาอย่างนั้นเลยเลยจิตใจก็จะซึมซับศิลธรรมเข้าสู่จิตใจได้มาก แรงมากขึ้นจนกลายเป็นจิตจนกลายเป็นนิสัยการทำบุญการอห้ทานการใส่บาตนี่ยใส้บาตตามหมู่บ้านหมู่บ้านไหนก็ต้องมีบ้านชาวมาก็ต้องมีแระเจ้าประสงค์โดยรัฐบาลก็ต้องได้ใส่บาตบางคนได้ใส่บาตหมดทุกทุกเพศทุกวัยในครอบครัวนั้นนับตั้งแต่พ่อบ้านแม่บ้านปู่ย่าลูกหลานจะสลับเปลี่นการใส่ ได้ทุกเพียงไทุกไม้มันเป็นเหตุที่ทำให้เราใกล้ชิดกับวัฒนธรรมการเสริมสร้างให้รู้จับบาปให้รู้จักบุญให้รู้จักคุณให้รู้จับทุนมาตั้งแต่เล็กๆอันนี้ก็เป็นการฝึกฝนอบรมจริยสัยของเราฝึกไม้อ่อนดัดง่ายไม้เก่งดัดยากทุกอย่างทักษะทางกายก็เช่นเดียวกันฝึกมาตั้งแต่เล็กๆมันก็ดัดแล้ก็ดัดได้ง่าย ก่อนได้ง่ายอะไรได้ง่ายจิตใจของเราก็ฝึกมาตั้งแต่เล็กๆมาตลอดการตลอดวัยวัยนุมวัยแน่นวัยกลางคนวัยธรรมากินวัยแก่วัยเท่าผ่านการฝึกฝนอบรมเกี่ยวข้องมาตลอดเราก็จะอยู่ในสิ่งในทางจิตใจก็จะสงบเยือกเย็ยน<ส>เป็นคนมีจริตนิสัยเป็นคนมีหิรตวิอุตตระเป็นประจำ รู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคนรู้จักกัรู้จักโทษรู้จักบุคคลผู้มีพระคุณรู้จักเคารพรู้จักยำเกรงที่สําคัญก็คือรู้จักมีหีริมีอัตตปะอันเกิดรู้จักศีลธรรมที่เราฝึกฝนอบรมเข้าสู่จิตใจนั่นสาคัญอยู่สำคัญสาคัญมากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างตอนนี้พวกเราเข้ามาสู่เพศนี้ภาวะนี้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 เพื่อเป็นไปตามศีลให้เป็นไปตามธรรมครูให้มีครูแล้วทำทต้องเป็นพื้นธารมลรางและถึงระดับข้อปฏิบัติระดับศีลระดับสมาสิญญ์เข้าไประดับสมาธิยิ่งเข้าไปแล้วระดับปัญญา ย, ยิ่งเข้าไปจุดประสงค์ความมุ่งหมายของเราคืออยากพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารการเวียนไว่ายไปในวัฏฏสงสารก็คือเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย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 เราถือว่าเป็นเป็นกองทุกก้อนทุกเป็นกองทุกเราตัต้งเป้าเอาไว้เพืที่จะเดินข้ามวัฏสงสารไปไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งตั้งหกตั้งใจตั้งหกตั้งใจเสียสละบานช่องเข้ามาวัดวาตั้งใจบวดตั้งใจฝึกฝนตั้งใจอบรม นี่การตั้งใจฝึกฝ น, นตั้งใจอบรมทั้งนี้คือการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอัตตหิอัตโนนาโถร100้อยปอร์เซ็นอัตตหอัตโนนาโถร100้อเปอร์เซ็นอย่างตั้งใจรักษาศีลเนี่ยเราจะใช้ใครทําแทนก็ไม่ได้การให้ทานนี่เรามีโอกาสที่จะให้คนอื่นให้แทนเราก็ได้เราฝากเขาไปทําบุญก็ยังฝากได้ฝ า, ฝากนน้นฝากนี้ฝากจะถูกปัจจัยสัตว์ฝากสิ่งฝากของเขา้ากลาอาหาร ฝากไปให้เขาทำบุญให้เราก็ได้แต่เราจะฝากเข้ช่วยรักษาศีลแทนเราฝากไม่ได้เพราะฉะนั้นการต้องอยงรักษาศีลเพื่อําระกายของเราให้บริสุทธิ์ไปตามศีลํราระอวายใจาของเราให้บริสุทธิ์ไปตามศีลไปตามธรรมเราจะต้องเข้ามาฝึกฝนอบรมฝึกหัดด้วยอัตตาหิรัตโนโนโทูของเราแท้เอาตนเป็นที่พึ่งของตน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 แต่การฝึกจิตให้ได้รับความสงบที่เรียกว่าสมาธินะมากำกับที่จิตโดยตรงเนี่ยแนบเข้ามาที่จิตประชับเข้ามาที่จิตแน่นเข้ามาที่จิตให้จิตได้รับความสงบให้จิตได้รับความสงบเนื่องจากจิตมันมีสิ่งพาไม่สงบพารโดดเราดิ้นมีอยู่ภายในจิตนั่นแะนั่นที่เรียกว่าตันหามันพาจิตดิ้นสร้างภายในจิต ปัญหาความทยานยามตัวนี้ตัวนี้แหล ะ, ะคือตัวที่เราพาเราดีเราดินสร้างเวียนสร้างกรรมทั้งกุศลกรรมทั้งอกุศลกรรมสรับสนบนเปกันกไปในวตฏสงสารทําดีบ้างทำชั่วบ้างผลตามมาก็คือได้รับความสุขบ้างได้รับความทุกข์บ้างได้รับความทุกข์ได้รับความทรมานนั่งจะมันมีความทุกข์มันก็มีความทรมาน ทุกข์กายก็คือทรมานร่างกายทรมานจิตใจด้วยบางทีร่างกายสุขสบายแต่มันกลับได้รับการทรมานทางด้านจิตใจจิตใจได้รับความทรมานจากกิเลสปัญหาอาสวะที่มีอยู่ภายในจิตนี่แหละเนี่ยตัวนี้เป็นเหตุเป็นสมุ ท, ทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเราตั้งใจมาศึกษามาศึกษาให้รูใ้ให้เข้าใจเหตุให้เกิดความทุกข์ที่ต้เรียกว่าสมุ ท, ทัย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 ไม่จบไม่ิ้นี่คือกล่องทุนในมันสะสมซ้อเราพยายามตั้งใจมาทาําจิตให้ได้รับความสงบในรับความสงบเพื่อให้จิตหยุดโดดดินไปตามอํานาจของกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในจิตเมื่อจิตไม่ถูกกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในจิตมันกระสริบกระซาบให้เราโดดรินไปตามมันเราก็ไม่เหนืยไปตามมันเราก็ไม่ได้รับทุกไม่ไไม่ได้รับโทษไปตามมัน จิตใจก็ปล่อยได้รับความชุ่มชื่นได้รับความเบิกบาน ไ, ไ, ไ, ได้รับความอิ่มเปิบได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความอิ่มเอิอนี่คือผลที่ตามมาอาเป็นผลรายได้ที่เราเก็บเล็กผสมน้อยจากการที่เรามาสังสมอบรมให้จิตได้รับความสงบนี่คือจิตได้รับความสงบคิตมีสมาธินั่นแหละ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 แต่ั้งความเอือบอิ่มอยู่จำเพาะจิตไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันมีหลายขั้นหลายตอนหลายระดับหลายาาหลายวิธีเนี่ยเราต้องใช้อัตตัยอั ต, ตโนนาโถด้วยตนของตอนแท้ๆมาตั้ง อ, อกตั้งใจมาฝึกมาฟืนมาอดมาทนมาทนทุกข์มาทรมานเพื่อเพื่อให้เกิดความเพ่อใเกิดความข้าใจ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 เป็นพื้ น, นเป็นหลักแล้วรครูบาอาจารย์องค์นั้นครูบาอาจารย์องค์นี้เราจะได้ยินทั้งซ้ายทั้งภาพปฏิบัติทั้งภาพปริยัตเราก็ได้ยินได้ฟังทั้งภาพปฏิบัติเราก็ได้ยินได้ฟั ง, ฟงคือเราได้ยินได้ฟังข้อปฏิบัติภาพปฏิบัติให้เกิดความรู้ให้เกิดความมั่นใจน้อมมาที่กิจที่ใจนีน่คือการได้ยินคือการได้ฟัง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 ทุ ก, ก็เอาลำบากก็เอาหนักก็เอาตั้งใจฝึกฝนอบรมฝึกฝนทนรับจนจิตได้รับความสงบเดี๋ยรับความสงบง่ายเดี๋ยวรับความสงบญากเนี่ยอากนนารอัลตานอนัทโถได้แท้ได้รับความสงบแนบแน่นได้รับความสงบแนบแน่นต้องการน้อมนำเอามาพิจรารณาเมื่อไรก็ได้ตามต้องการ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 คำวคติคติคือที่ไปของมันรูปธรรมคืออัตภาพร่างกายร่างกายของเราประกอบไปด้วยธาตุดินธาตน้ำํำธาตุลมธาตุไฟประกอบไปด้วยอาการ32มสิบสอเราอย่าลืมหลักหลักใหญ่อันนี้คือหลักใหญ่เราน้อมเข้ามาเลยอาการ32มสิองไม่ตัวธาตุดินธาต น, น, น้ําธาตุลมธาตุไฟนั้นเป็นรูปธรรมนเป็นรูปธรรมแต่กับน้ำธรรมก็คือทางด้านจิตใจ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 ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ฝึกฝนได้ อ, อกรมว่ากายกระสับแปลว่ากายความเจ็บปวดของกายกระสับแปลว่าความเจ็บปวดของกายจิตผู้รับรู้กระสับแปลว่ารับรู้เมื่อเราได้ยินได้ฟังแค่นี้ก็จะเป็นเหตุทําให้เรารู้จักแยกแยกออกมาได้บา้างร่างกายทุกเราก็รับรู้รับทราบจิตใจมันก็ไม่พล่อยทุกไปกับกายนี่จิตใจก็ไม่ปล่อยทุกไปกับกาย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 เป็นเหตุให้เรายึดยึดอัตภาพร่างกายเมื่อร่างกายได้ได้สุขเราก็ปลอยมีความสุขมีความกระชุมกรชวยด้วยเมื่อร่างกายได้รับความทุกข์โดยปกติร่างกายคติของมันเร า, าทราบไปแล้วคติของมันอันนี้จักทุกครั้งนับตาเนี่ยจะเรียกว่าคติของมันคติของมันมันไปตรงนั้นแหละคือมันไม่องที่มันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองในความไม่เปลี่ยนที่ของมันยใครไม่สามารถจะไปดัดแปลงมันได้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 เปลี่ยนรูปเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยๆจากเล็กเราเริ่มเจริญเริ่ ม, มใหญ่เริ่มเมติบโตขึ้นมาเรื่อยตามภาวะสังขารของมนุษจนกว่าจะครบอาการสามิบสองแล้วเราก็ออกมาเหมือนอย่างที่เราได้ได้กันมามาด้วยกันนี่แหละคือภาวะของร่างกายคือภาวะอนิจยังภาวะทุกข์ขันนี่คือคติของมัน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 ที่มันจะส่งมาตามหลักสภาวะธรรมความเป็นจริงแล้วมันจะไม่ส่งมาเลยมันจะส่งไปตามเรื่องตามราวของมันะนะเกิดยึดตกเรื่องเรื่องใดมันจะคิดไปเรื่องนั้ น, นเกิดกังวลเรื่องใดมันก็จะคิดไปเรื่องนั้นเกิดยินดีไปกับเรื่องใดมันก็จะปรุงไปกับเรื่องนั้นเกิดยินร้ายไปกับเรื่องไหดมันก็จะปรุงไปกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นสาเหตุที่แท้จริงแน่นอนอันเป็นเหตุให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่ า, านั้นเศ้าไม่ได้เข้าใจไม่ได้ ก็มือนอย่างที่ว่าสมุดไทยสมุดไทยว่าด้วยเหตุใดจิตใจถึงมายึดถึงร่างกายอันนี้เราก็ทราบไม่ได้เึ่งจากไม่รู้แม้แต่กายก็ยังไม่รู้จักแม้แต่ใจก็ยังไม่รู้จักเหตุใดจิตใจถึงมายึดถือร่างกายเราก็ยิ่งมืดทึบเข้าไปอีกถ้าเราไม่มาบนเส้นทางบนช่องทางตรงนี้แล้วเราจะเข้าใจไม่ได้เราจะทราบไม่ได้ด้วยเหตุที่ว่ากายมันยึดถือเกี่ยวข้องกับ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 เพื่อมาทําให้เกิดความรู้ทําให้เกิดความเข้าใจตรงนี้อันนี้มีความสำคัญมีความสำคัญมากซึ่งเป็นงานเป็นหน้าที่พวกเราอยู่ในหน้าที่ที่จะต้องศึกษาจะต้องค้นควา้าจะต้องพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจของสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้สิ่งอื่นนอกนั้น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 เพื่อได้ผลผลมาได้เหตุมาได้ปัจจัยเพื่อบำรุงหล่อเลี้ยงอัตตาพังกายเหมือนอย่างอาชีพการงานทุกๆอย่างที่เรามองเห็นนำหนักเข้าเราเลยไปยกความสำคัญให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดหรืยอย้อนมาดูเหตุผลต้นตออันเป็นเหตุอันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงให้เกิดความทุกข์อย่างแท้จริงเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมาบดบังเส้ย งานการต่างๆเหล่านั้นมันมาบดบางเสียเพราะงานการต่างๆเหล่านั้นมันก็มาปั่นหัวเราจนพอดแรงแล้วเพราะงานทุกอย่างงานทุกเรื่องล้วนมีเหตุมีปัจจัยของมันเหตุปัจจัยของมันก็ล้วนมีมีปัญหาที่เราจะต้องหามาที่เราจะต้องแก้ไขที่เราจะต้องจัดหาที่เราจะต้องจัดทําเลยวันๆหนึ่งวุ่นไปแต่กระสีต่างๆเหล่านั้นเป็นเหตุให้เรา เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอารมณ์อารมณ์รักบ้างอารมณ์ชังบ้างอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์โมโหโทโสจิตต่าง ม, มาโอาโอกาสที่เราจะย้อนมาดูสาเหตุต้นต่อคือสมุทยัยให้เพื่อที่จะให้กิตเหล่านี้มีกิริยามีปฏิกิรยิรยาที่เรียกว่าเกิดโมโหโทโสเกิดโทสัตเกิดอิตชาทิศยาเกิดปริยาปานันโอกาสที่เราจะย้อนมาดูมาศึกษาหมดโอกาสจะย้อนมาได้แล้ว ยกความตั้งผันมั่นหมายให้กับวิชาการธมากินต่างๆเรานั้นหมดไปแล้วโอกาสที่เราจะทราบเหตุผลต้นต่ออย่างแท้จริงสตร์ในยากมากเพราะฉะนั้นเรามาสู่เพศนี้เรามาสู่ภาวะนี้เรามาสู่สถาบันพุทศาสนานี้เป็นการมาอยู่ท่ามกลางวิชาตรงนี้ศึกษารู้หลักให้รู้เหตุให้รู้ผลให้รู้ต้นต่อให้รู้ที่ไปที่มา ของอัตภาพร่างกายถือว่าเป็นการศึกษาชีวิตชีวิตของกายนี้ชีวิตของจินนตนี้เพื่อทราบสาเหตุเพื่อทราบต้นต่อเพื่อถอดเพื่อถอ น, อถอนสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดการยึดมั่นถึงมั่นโดยป่าทานอันเกินเหตุนำ ม, มาซึ่งกองทุกมาคอยทิ้งแทนจิตใจของเร า, าวันคืนยืนเดินนั่งนอนร่วงไปทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้วิตกกังวล ก, กับเรื่องนั้นวิตกกังวลกับเรื่องนี้ หัวบุญปั่นหัวชักขนาดไหนก็ตามเราก็ยินดีเราก็พอใจเราเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นกิตเป็นทุกขเป็นหน้าที่ที่จะต้องจัดต้องทํานะีมันทําให้เราให้ความสําคัญมั่นหมายกับไปกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดโอกาสที่เราจะประสบความสุขอย่างบริสุทธิ์นั้นก็ประสบได้ยากประสบความเจริญทางด้านจิตใจอย่างแท้จริงนั้นก็เป็นไปได้ยาก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 ไปทางมิจฉาทิฏฐิเพราะมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้มีร้อยแปดพันอย่างที่จะน้อมนิดของเราเนี่ยให้โอนเอ็นไปตามไปตามสิ่งที่มีอนอกนอกเหนือไปจากอันนี้อย่างทุกขังงนักตาอันเป็นเหตุผลที่จะดึงมามาศึกษาเรื่องกายมาศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจมีโอกาสที่จะดึงไปลากไปเป็นเทียมหนอนมากเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นท่าน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 เน่เพราะฉะนั้นเรามาอยู่ตรงนี้คือว่ามาอยู่ในทํากลางแต่ว่าเราจะต้องใช้ความภาพจะต้องใช้ความเพียรใช้ความขุดสาพยายามอย่างยวดยิ่งก่อจะประสบความสําเร็จนะแค่เราได้รับความสงบนะพวกเราตั้งใจปฏิบัติทำมานับ แต่เข้าพรรษามาโดยเฉพาะมาถึงระยะนี้มันก็หมดไปสองเดือนกว่าแล้วสองเดือนครึ่งแล้วสเดือนครึ่งนั้งเหือ อ, อ, อ, อ, ห อ, อีกครึ่งเดือนที่จะออกพรรษาเนี่ยนังเหลืออีกครึ่งเดือนที่จะออกพรรษาถ้าหากเราได้ตั้งหกตั้งใจทําให้จิตได้รับความสงบเราก็จะต้องได้ประสบพบเห็นความแปลกประหลาดอสิจันอะไรอยู่บ้าง บางคนก็อาจจะได้ง่ายใ้่ไหมบางคนก็อาจจะได้ยากบางคนก็อาจจะขึ้ น, น, นกลางกลางยังไม่เข้าใจอะไรเลยก็มีบางคนก็ตั้งตั้งใจได้รับความสุขได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความเข้มขึ้นเบิกบานความแปลกประหลาดอาศัศจรรย์ภายในจิตภายในใจมันต้องมีเป็นเรื่องธรรมดาพอมาถึงตอนนี้เราพอจะมีอะไรมา พูดมาคุยมาแจกมาแจ้งกันได้บ้างในหมู่เพื่อนเราในหมู่เราในเพื่อนในหมู่เพื่อนเราในหมู่สงเราเราประมวลมาได้ไรหรือว่าเรายังไม่ได้ประสบความสุขความสงบความชุ่มเย็นอะไรภายใ น, นใจบ้างเลยออันนี้ก็คอยเราตั้ง อ, อกตั้งใจต่อไปตั้ง อ, อกตั้งใจเพราะเรายังไม่ได้ประสบ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 ความทุกข์ความทรมานร่างกายความทุกข์ความทรมานจิตใจมันก็เป็นไปตามนั้นถ้าเราได้คุณธรรมบ้างอะไรบ้างเราก็น้องอันนี้มาเป็นข้อปฏิบัติยึดเป็นชีวิตจิตใจไปจนตลอดอายุไขันี่ถือว่าสร้างตัวได้เราจะต้องไปประสบความสุขความเจริญในสุคติอย่างแน่นอนในเมื่อในปัจจุบันเราประสบผลฐานแล้วก็ได้รับความสุขในปัจจุบัน โอกาสที่เราจะได้ประสบความสุขในสุขติในโอกาสต่อไปย่อมมีได้ย่อมเปลนได้ดูมาที่จิตนี่แหละย้อนมาที่จิตกําหนดมาที่จิตย้อนดูมาที่จิตมันไม่ได้อะไรก็ให้มันอยู่กับจิตเนี่ยพิจารณาจิตเจ้ของดูจิตเจ้าของพิจารณาจิตเจ้ของดูจิตเจ้าของดูมาที่จิตย้อนมาดูที่จิตรู้ว่าจิต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 อกุศลกรรมได้ทั้งกายกรรมสามารถทําอกุศลกรรมได้ทั้งวจีกรรมคือคาพูดคำจ า, าคำด่าคําว่ารวมจะเป็นเหตุเป็นเพศ เ, เ, เป็นภัยนะครับทั้งมโนกรรมก็คือนึกผิดคิดผิดค่อยคิดผิดเข้าใจผิดเนะี่ยรวมไปถึงการฆ่ากันการทําลายกันการทำลายทรัพย์สินของกันกันการทําร้ายร่างกายซึ่งกันกับกัน รั้วจะเป็นเหตุเป็นเพื่อเป็นภั ย, ภยทั้งนั้นถ้าหาางเหินสินทมแล้วสิ่งเหลนี้ก็จะตามมาเป็นเบีญเป็นภัยให้กับเราไม่มีจบไม่มีสิ้นดูมาอยู่ที่นี้ไม่มันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ไปไหนจะไปยังไงก็ดูมันตามดูมันตามพิจารณมามันตามเข้าใจมันต้องการให้สงบอยู่กับที่แล้วกําหนดบริกรรมเข้าไป ต้องการพิจารณาเยอะๆเขาพิจารณาให้เข้าหลักความเป็นจริงอย่าไปส่งจิตล่งลอยไปกับสิ่งที่เราคาดกับสิ่งนั้นกับเรากับสิ่งนี้ให้คาดเดามาสู่กายนี้กายนี้คาดเดาว่าเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟเนี่ยการเดาอย่างนี้มันเป็นสัญญามันเป็นมันเป็นมักนะการคาดอัตภาพร่างกายของเราเป็นอาการสาสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนี่ย อันนี้เป็นสัญญาเราก็หมุนพิจารณาเข้าไปอันนี้ก็เป็นมรรมเป็นข้อปฏิบัติให้ใจเราหมุนอยู่กับสีทั้งตาเราเนี่มันเป็นการเอาใจมาทํางานนี่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานเอากายเป็นอารมณ์ของใจเอาใจเป็นอารมณ์ของใจเอาใจเป็นอารมณ์ของใจเอาใจเป็นอารมณ์ของใจคื อ, คอเรากำหนดพิจารณาจิตน่ย พิจารณาความรู้สึกของจิตจิตโลภก็พิจารณาความกิริยาการของจิตจิตโกรธก็พิจารณาอาการของจิตจิตลุ่มหลงก็พิจารณาอาการของจิตจิตกลัวก็พิจารณาอาการของจิตจิตหลงจิตเพลินจิตรักกําหนดยินดีกับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้ก็พิจารณาดูอาการของจิตเราพิจารณาดูอาการของจิต แล้วเราก็ย้อนไปที่อารมณ์ที่มันทําให้เกิดอาการต่างๆเหล่านั้นอันนี้คือว่าเป็นการคลี่คลายจับผลมันก็ย้อนไปที่เหตุจับผลก็ย้อนไปที่เหตุจิตโกรธจิตราคะเนี่ยจิตมีความคําหนักความํหนักภาย ใ, ในจิตมันละเอียด น, นะส่วนมากเราทราบไม่ได้เราเราทันยากเราจะทราบได้ว่าความํหนักทางกาย ในเมื่อความกำนังมันมาถึงกายแล้วเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นความกำนังที่หยาบนั่นแหละเราก็จะมาทราบได้แต่หยาบหยาบนี้แหละแท้จริงถ้าเราทันความกำนังที่จิตอนั้นแหละคือต้นต่อของมันแทนแทนเราก็กำลังจับความกำนังของจิตจิตมันมีความกำนังอะไรด้วยเหตุใดมันนึกยังไงมันรู้ยังไงมันเห็นยังไงมันพิจารณายังไงถึงเกิดความกำนัง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 เรามาจับตรงนี้ได้เราได้ข้อปฏิบัติจิตของเรามันเกิด อ, อะไรขึ้นมาแล้วจับปับ๊บจับปับ๊บเราก็ย้อนปุ๊บพอจิตเราเกิด อ, อะไรขึ้นมาปับ๊บเราจับปั๊บที่จิตเราก็ย้อนไปปุ๊บเราจับอยู่ตรงนี้เยเราอยู่ท่ามกลางมรนะเราอยู่ท่ามกลางมระมันจะเป็นมหาสติปัฏฐานทุกอิรยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันเกิด อ, อะไรขึ้นมาเราจับปุ๊บทันทีจับมาที่จิตเนะ่ย รับขึ้นมาจับขึ้นมาทันทีแล้วก็ย้อนไปที่เหตุขาาองมันอกลัวจับมาที่จิตดูอาการของมันเป็นไงที่ว่าจิตมันกลัวกลัวอาการเป็นยังไงพอเราดูไปพอเราส่องจิตเข้าไปทําความรู้สึกเข้าไปกําหนดเข้าไปมันก็มันก็เหนือยไปแล้วหายไปแล้วให้คำว่าความกลัว พออาการมันเป็นนี้มันเป็นนี้เป็นนี้นี่เขาเรียกว่าเอาจิตมาจิ้มจิตเอาจิตย้อนมาที่จิตกำลังพิจารณาพอเราพอเราพิจารณาดูอาการมันแล้วเราก็ย้อนไปที่เรื่องเรื่องอะไระเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดจากเหตุเราย้อนไปที่เรื่องคือเหตุนี่เราจับอยู่ตรงนี้มันเข้าหลักอริยสัจทั้สี่เรามาอริยสัจอริยสัจทั้งสี่เราจะต้องมาหลักตรงนี้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 ที่แสดงโลกของเรานีให้ปรากฏ ม, มีจิ ต, ตดวงเดียวเท่านี้แหละสมมุติเราเอาจิตต่อปับ๊บมถ้าเราดูไปสิ่งนอกตัวเราเหมือนก้อนหินเน่ก้อนหินไม่มีจิตมีอะไรไม่รู้เรื่องอะไรอสัยจิตดวงนี้เ่ยทำให้เราได้รับความสุขทำให้เราได้รับความทุกข์โดยเหตุที่เราไม่เป็นก้อนหินเนี่ยเราถึงได้รับความสุข บ, บ้างเราถึงได้รับความทุกข์บ้างมันก็มีอยู่อย่างนี้ แล้วก็กาหนดมาพิจารณาอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นข้อปฏิบัติความกลัวเกิดขึ้นมาก็จับความกลัวย้อนไปที่สาเหตุของมันมันเห็นย้อนไปแล้วจะเห็นภาวะของจิตเกิดอะไรขึ้นมาจับที่จิตปั๊บย้อนเข้าไป ท, ทันทีจับแล้วไปย้อนเข้าไป ท, ทันทีอันนี้เป็นการตอบกลับกัน ร, ร, ระหว่างธรรมกับสมุทยัย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 มันหมดความสงสัยผลโอ้เพราเรารู้ทันเหตุผลมันก็ไม่เกิดแล้วพอเรารู้ทันเหตุผลมันก็ดับนะเพอเรารู้ทันเหตุก เ, รร เ, หตเกิดวิชาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความสว่างสไยโอกาสที่เราจะมืดมืนทึบทึบยืดถือแบบผิดผิ ด, ผดถู ก, ถ ก, ก, ก, กรูปรๆปทำพลังมันก็หมดไปเพราะว่าเหตุผลมันไปจัดแจ้งชัดเจนอยู่ในภายใน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 ตั้งใจให้ทําให้จิตได้รับความสงบทํอย่างไรมันถึงจะสงบตะล่อมอย่างไงมันถึงจะสงบตะล่อมอย่า ง, ง, ง, ง, งไงมันถึงจะอยู่ใช้อุบายอย่างไงมันถึงจะอยู่ใช้ความภาคความเพียรมากขนาดไหนน้อยขนาดไหนมันถึงจะอยู่เวลามันจนตัวมันเก็บมันปวดเหลืออดเหลือทนเหลือทุกทรมานเรามีวิธีการช่ว ย, ช, วยช่วยเหลือตัวเองอย่างไงบ้างที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยได้กําไรไม่ขาดทุนไม่รื้อบรรลังเสียกลางคัน เราทําไงเราถึงจะได้กําไรก็ดังทียติบายให้ฟังเลยเมื่อร่างกายร่างกายเจ็บไข้ปวดจับที่ความเจ็บสมมติเรานั่งเภาานานๆปวดขึ้นมาปวดต่อพกปวดหัวเข่าปวดต้นขาปวดตรงไหนก็ตามไปต้องมีสติทันตัวที่เด่นที่สุดที่เราควรยึดไว้ให้อยู่ในกรรมือคือสติกับสัมผัสจันทร์ ตัวนี้แหละเป็นตัวที่เราต้องฝึกฝนทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีตัวสติตัวสัมปชัญญะจับไปที่ความเจ็บเราก็ย้อนไปที่เหตุของมันจับที่อาการของมันเราก็ย้อนไปที่เหตุของมันคลี่คลายดูเหตุดูปัจจัยต้นตอที่แท้จริงของมันคืออะไรทั้งนี้เพื่อทําไรผู้ที่มาสวมลอยทําให้เราหลงไปกับกลโอบายมายาของมัน วิธีการทําแบบนี้มันเป็นการวิธีฝึกเป็นวิธีหักวิธีขัดวิธีเปล่าวิธีซับฟ อ, อกจิตให้จิตมีความรู้ให้มีความเข้าใจให้เกิดวิชาขึ้นมาที่จิตเพื่อทําลายอาวิชาที่มันมีอยู่ภายในจิตทําลายวิชาก็คือทําลายความลุ่มหลองทําลายความลุ่มหลองก็คือทําลายความมืดความคึบ <ses> <ses> เห็นเหตุเห <ses> ็นผลเห็นต้นเห็นต่อเห็นที่ไปเห็นที่มาขมัแล้วก็หมดสงสัย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 มีการยึดมีการถือจนเป็นเหตุเราได้รับทุกหลายหลายชั้นหลายๆลซับและหลายซ้อนด้วยเหตุอย่างนี้ด้วยปัจจัยอย่างนี้นคือต้อนทางคือที่ไปคือที่มาสำหรับข้อปฏิบัติของเราพวกเราตั้งอก ต, ตั้งใจเข้ า, าไปแล้เวเวลาพอสมควรเอาให้ทนไปเลยก็ได้นะตั้งใจเด็ดเดี่ยวเข้าไปแล้วเวลาอีกทั้งหลายวัน ก็จะออกพรรษาในระยะนี้เราตั้งเอาไปเพราะออกพรรษาไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะแน่นอนไม่แน่นอนบ า, บางท่านก็จะอยู่ไม่มีกําหนดบางท่านก็จะซื้ออย่างนั้นอย่างนี้ไปมันกลายเป็นเครื่องแน่นอนไปแล้วแต่สําหรับผู้ที่ตัง อ, อกตั้งใจเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารไม่มีกําหนดไม่มีอะไรอันนี้เราก็ตั้งเอาไว้จากนี้ไปออกพรรษา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 มารวมกันให้ให้บ่อยบ่อยครั้งเข้าให้บ่อยครั้งเข้าเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการเอาเวลาตรงนี้มาทำให้เกิดประโยชน์ถ้าเผื่เราไม่ทําก็ไม่แน่ใจว่าหลังท่านอาจจะไปเสียเวลากับเสีงนกับเสีงทําทำนั่งทำนี้นนนไปเวลาแค่นี้ไม่มากหรอกตอนคืนล่วงไปกัางวันตลอดทั้งวันตอนคืนตลอดทั้งคืนมากมายมหาศาล เราใช้เวลามาได้ยินได้ฟังได้ตั้งอกตั้งใจฟังแทนนี้ได้รู้ได้เห็นได้ความพร้อมเพรียงสามัคคีในหมู่สองของเราเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์มีแต่คุณมีแต่ประโยช น, น, น์เป็นไปเพื่อศีลเป็นไปเพื่อทําโดยแท้จริงไม่ออกนอกลู่ไม่ออ ก, นอ ก, ก, ออกนอกทางอยู่ในถ้ำกลางของอนุทางในข้อปฏิบัติของเร า, าวันนี้เอกพอสมควรกันอย่แล้วนะ